วิธีจัดการกับความกลัวตายสิ่งมีชีวิตถูกธรรมชาติบังคับให้นึกว่ามีชีวิตเดียวทุกชีวิตจึงรักชีวิตกลัวการไม่ได้มีชีวิตอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตมนุษย์ที่มีค่าคนส่วนใหญ่เพิ่งรู้สึกขึ้นมาว่าเป็นของได้มายากก็เมื่อจวนจะเสียชีวิตไปในไม่กี่นาทีข้างหน้าแล้ว สิ่งที่น่ากลัวกว่าความตายคือความกลัวตายความกลัวตายไม่ใช่อารมณ์ผิวเผินแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เ, เพราะเป็นตัวแปรสำคัญหนึ่งที่กําหนดให้ผู้ตายไปสู่สุขติหรือทุกขติได้ความกลัวตายไม่ใช่สิ่งที่จัดการได้แบบเร่งด่วนในนาทีหน้าสิวหน้าขวานแต่ต้องจัดการแบบค่อยเป็นค่อยไป ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ยาวๆวิธีการใช้ชีวิตของคนที่จะไม่กลัวตายมีอยู่หลากหลายหากรู้สึกว่ายังกลัวตายขอให้ลองใช้ชีวิตตามแนวทางเหล่านี้ดูรู้สึกถึงเวลาในชีวิตด้วยความฉลาดใช้เวลาในชีวิต สาเหตุอันดับหนึ่งของการห่วงกังวลอนาคตข้างหน้ามากเกินไปคือการใช้เวลาคิดถึงเรื่องที่ลงมือจัดการได้ในวันนี้น้อยเกินไปจัดการกับวันนี้น้อยเกินไปจะห่วงวันหน้ามากเกินไปเมื่อเป็นผู้มีปกติเห็นเวลามีค่าแล้วค่าของเวลาก็จะถูกใช้ไปอย่างคุ้มที่สุดไม่น่าเสียดายอย่างที่สุดก่อนจะเห็นว่าเวลามีค่าเพียงใด ต้องเห็นให้ได้ก่อนว่าชีวิตทั้งชีวิตมีค่าขนาดไหนชีวิตมีค่าตรงที่เรามีเวลาก่อสร้างต้นเหตุของความสุขและมีเวลาทำลายต้นเหตุของความทุกข์คนที่เห็นทุกนาทีมีค่าไม่ใช่คนเอาเวลาไปทำงานจนหมดแต่เป็นคนที่มองอยู่ตลอดเวลาว่ากำลังเอาเวลาไปทำอะไรอยู่นาทีเดียวถ้าพักผ่อนอย่างเต็มที่ จิตเป็นอิสระจากความเกาะเกี่ยวกับทุกสิ่งอาจมีค่ายิ่งกว่าการพักร้อนสิบวันของคนแบกงานไว้เต็มหัวหากขาดความสามารถที่จะพักผ่อนเวลาพักผ่อนก็คือเวลาเอาไว้สำหรับว้าวุ่นชั่วโมงเดียวถ้าทำงานอย่างฉลาดคิดฉลาดทำตามแผนฉลาดเดินหน้าเข้าหาเป้าหมายอาจมีค่ายิ่งกว่าการทำงานสิบวันของคนทางานขาดระบบ หากขาดความสามารถในการทำงานเวลาทำงานก็ไม่ต่างจากเวลานั่งฟุ้งซ่านเล่นชีวิตที่มีเป้าหมายคือชีวิตที่มีสติรู้อยู่เห็นอยู่ว่าเราขยับเข้าใกล้เป้าหมายไปแค่ไหนแล้วสําหรับเป้าหมายของชาวพุทธคือเรียนรู้ที่จะดูความจริงและความจริงที่น่าดูก็คือความจริงเกี่ยวกับกายใจ วันเดียวที่ดูกายใจเป็นเห็นว่าไม่มีอะไรที่เที่ยงไม่มีอะไรที่เป็นของเราก็มีค่ากว่าร้อยปีของคนส่วนใหญ่อีกข้อโลกซึ่งไม่มีสักวันได้เห็นความจริงนี้ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้พิจารณาเห็นความเกิดดับแห่งสังขารมีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าชีวิตตั้งร้อยปีของผู้ไม่พิจารณาเห็น ผู coach Savior, coach mm. to to ้ที่ฉลาดแบ่งเวลาวางแผนการใช้เวลาย่อมเข้าถึงความเป็นชาวพุทธที่ถามตัวเองได้อย่างไม่เก้อเขินว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เมื่อรู้สึกถึงเวลาในชีวิตจากการวางแผนว่าจะทำอะไรไว้ในชีวิตบ้างก็จะรู้ตัวว่าใช้เวลาในชีวิตมาแค่ไหนจากนั้นก็จะไม่นึกเสียดายไม่รู้สึกเสียใจ เมื่อเห็นเวลาเหลือน้อยเช่นเดียวกับคนที่วางแผนการใช้รถยนต์ไว้แล้วรู้อยู่แล้วว่ารถยนต์ต้องเสื่อมลงทุกปีหลีกหนีการปลดระวางไม่ได้คนที่ใช้เวลาในชีวิตอย่างคุ้มค่าเมื่อเวลาใกล้หมดแม้อะไรอวอรชีวิตอยู่บ้างก็จะไม่กลัวตายเพราะความยึดมั่นสำคัญผิดว่าจะมีเวลาอยู่เสมอทุกปีจะมีตัวตนแบบนี้ไม่เปลี่ยนแปลง ถอดถอนไปมากแล้วจากการใช้ชีวิตตามแผนตามเวลาที่ต้องผ่านไปเรื่อยๆตามลำดับต่างกับคนที่เอาแต่เล่นสนุกไปวันๆหาอยู่หากินไปวันๆหรือขอเงินคนอื่นไปวันๆไม่เคยวางแผนใช้เวลาไม่เคยรู้สึกรู้ซาเกี่ยวกับเวลาเวลาย่อมปรากฏคล้ายสิ่งคงที่เกิดความคาดหมายผิดๆว่าทุกวันจะต้องเหมือนเดิม สนุกสบายเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นยิ่งวันเดือนปีล่วงไปใจยิ่งยึดมั่นถือมั่นอยู่แต่ชีวิตนี้ไม่พร้อมเลยที่จะสูญเสียชีวิตนี้ไปความกลัวตายย่อมทวีขึ้นเป็นเงาตามตัวบริจาคร่างกาย ขอให้ลองดูอาการทางใจเมื่อบริจาหรือสละสิ่งใดคุณจะรู้สึกมีความสุขปลาปลืมและไม่รู้สึกว่าเป็นเจ้าของสิ่งนั้นแล้วร่างกายก็เหมือนกันการบริจากร่างกายเป็นทานเพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นคือทานอย่างใหญ่ไม่มีอะไรน่ากลัวอย่าไปเชื่อความคิดแบบมิจฉาทิฏฐิที่ว่าบริจาคอวัยวะส่วนไหนชาติหน้าจะพิการอวัยวะส่วนนั้น หรือบริจาคทั้งร่างกายเดี๋ยววิญญาณจะวนเวียนอยู่กับศพเพราะข้อเท็จจริงคือเป็นตรงข้ามกันเลยคิดดูว่าถ้าให้เงินขอทานบ่อยๆถวายเงินให้วัดบ่อยๆและผลที่ได้ควรเป็นเงินทองไหลมาเทมาในชาติหน้าเมื่อให้อวัยวะเป็นทานแก่ผู้ขาดก็ยอมได้อวัยวะที่สมบูรณ์กลับคืนมาแกตนเช่นกันยิ่งไปกว่านั้น การให้อวัยวะหรือร่างกายเป็นทานยังเป็นเหตุให้บรรลุธรรมง่ายอีกด้วยเพราะกิเลสเกี่ยวกับความยึดติดถือมั่นได้ถูกบัทอนลงแม้พระโพธิสัตว์ท่านก็เคยคิดจะควักดวงตาให้เป็นทานแก่ผู้ขอและเป็นเหตุให้ท่านเป็นผู้มีประกายตางดงามแจ่มใสและเห็นชัดไม่เป็นผู้บอดใบการให้อวัยวะเป็นทานในปัจจุบันทำได้หลายรูปแบบ อาจเป็นการบริจาคเลือดหรือไปลงทะเบียนบริจาคดวงตาบริจาคร่างกายทั้งหมดให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นหลังสิ้นชีวิตแต่ละครั้งที่คิดหรือลงมือบริจาคอวัยวะลองสำรวจดูจะรู้ว่าใจยึดมั่นถือมั่นในร่างกายน้อยลงพร้อมจะรับมือกับความแตกดับของมันด้วยความสบายใจมากขึ้น ผู้ให้อวัยวะย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างสวรรค์นบนดินแก่ผู้พิการเมื่อสร้างสวรรค์นบนดินให้เกิดขึ้นก่อนสวรรค์นบนฟ้าคุณจะเลิกกลัวตายเลิกกลัวการสูญเสียสิ่งที่จะต้องตกค้างอยู่ในโลกอย่างสิ้นเชิงท่องคาถา พอพูดถึงคาถาคนส่วนใหญ่นึกถึงบทสวดอะไรสักบทซึ่งถ้าเป็นไปในทางอาคมก็มักออกไปในทางคำเสกเป่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์หรือมีอิทธิพลบางอย่างและเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดสวดคำศักดิ์สิทธิ์ดวงจิตดวงใจก็ต้องมีความศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นในตัวความหมายของคาถายังมีอีกความหมายหนึ่งคือเป็นคาประพันธ์ ประเภทร้อยกรองในภาษาบาลีถ้ามีสี่บาทก็เป็นหนึาา่งคาถาเอาตามนิยามนี้คาถาจึงไม่จำเป็นต้องศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่พอเกิดการทรงจำที่เป็นประโยชน์หรือได้แง่คิดดีๆก็นับว่าใช้ได้แล้วจัดเป็นคาถาเต็มรูปแบบแล้วในทางปฏิบัติคาถาก็คือการร้อยเรียงถ้อยคา จึงเมื่อเปล่งเสียงออกมาเป็นวาจาแล้วก็จะเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งหรืออาจสัมผัสถึงกลุ่มพลังในทางมืดทางสว่างขึ้นมาได้คนที่เชี่ยวชาญคาถาท่องคาถาได้มากเข้าใจความหมายของภาษาได้ลึกซึ้งอาจจำแนกได้ทีเดียวว่าแต่ละคาถามีความสะเทือนถึงจิตแตกต่างกันอย่างไรยกตัวอย่างเช่น ถ้าคถาไหนาเปล่งเสียงแล้วก็ให้เกิดศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เอามาเป็นบทสวดประจําศาสนาเป็นที่ยอมรับในวงกว้างเช่นศาสนาพุทธมีบทอิติปิโสถ้าคถาไหนาเปล่งเสียงแล้วก่อให้เกิดกําลังจิตกล้าแข็งเป็นที่เล่าหรือว่าสวดแล้วหนังเหนียวก็เอามาเป็นบทสวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางฤทธิเดชโดยไม่จําเป็นว่าเป็นสมบัติของลัทธิหรือศาสนาใดเป็นต้น การสวดคนเดียวกับสวดหลายคนมีผลต่างกันเพราะคลื่นเสียงที่เกิดขึ้นนั้นมาเดียวกับมาคู่ก็แตกต่างแล้วและยิ่งถ้าผสมรวมเป็นหมู่คณะก็ยิ่งแตกต่างมากขึ้นเป็นเงาตามจำนวนความสะเทือนอันศักดิ์สิทธิ์ที่แผ่ไปในอากาศย่อมทำให้อากาศในย่านนั้นสว่างแจ้งขึ้นเป็นวันๆความสะเทือนอันศักดิ์สิทธิ์ที่แผ่ไปกระทบวัตถุ ย่อมประจคุความสว่างเข้าไปในตัววัตถุเป็นปีๆหรือถ้าเข้มข้นมากก็หลายร้อยปีข้อเท็จจริงดังกล่าวถือเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับพวกที่เล่นคาถาจนเห็นความสว่างของคาถาคนเล่นเป็นจะแยกแยะถูกด้วยว่าบทไหนสว่างกว่ากันบทไหนเหมาะจะประยุกใช้ในงานใดถ้าสวดเดี่ยวสวดคู่หรือสวดเป็นหมู่คณะ จะให้ผลผิดแผกแตกต่างได้เพียงใดด้วยถ้าจะพูดถึงคาถาที่เป็นประโยชน์ตามวิธีสายตาแบบพุทธคงต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้สั้นไม่ต้องท่องจำมากคำแปลก่อให้เกิดความเข้าใจในธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งระ ง, งับใจให้เย็นลงแก้ฟุงสซ่านได้แก้ทุกเรื้อรังทางใจได้ท่องบนแล้วฉลาดขึ้น บรรเทาความกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นทั้งพูดผีปีศาจร์ษยาศาสตร์ตลอดจนความตายได้คาถาสั้นๆที่นำมาใช้แก้กลัวตายได้บทหนึ่งคือบทที่พระปฏิบัติท่านโสดกันมากไม่ใช่มีเกจิท่านใดประพันธ์ขึ้นแต่เป็นพุทธพจน์หรือถ้อยคำที่เปล่งจากพระโอษฐ์ของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรงเป็นคาถาที่บอกความจริงอันเป็นที่สุดเกี่ยวกับสรรพสิ่ง ตัวคทถามีอยู่ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมาอนัตตาความหมายคือสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายไม่เที่ยงเพราะสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และที่สุดแล้วสิ่งทั้งหลายอันรวมถึงสิ่งไม่ปรุงแต่งอย่างนิพพานหาใช่ตัวตนที่บังคับเอา หรือถือมั่นไว้ในมือใครได้ถ้ายัางรู้สึกว่าจำยากอยู่อยากรวบรัดให้สั้นที่สุดจะท่องแค่นี้ก็ได้สัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพรธรรมะอนัตตาติทดลองสวดง่ายๆแค่นี้ซ้ำไปซ้ำมาด้วยความเข้าใจว่ากำลังท่องเกี่ยวกับอะไรแล้วจะรู้ด้วยตัวเองขณะมีชีวิต ถ้าท่องให้คล่องปากเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างน้อยจะมีอิทธิพลทางใจให้ปล่อยวางได้เร็วแยกตามจุดประสงค์เป็นข้อๆได้ดังนี้หนึ่งถ้ากำลังโกรธจัดให้ยอมรับตามจริงว่าใจกำลังโกรธกำลังเกิดโทสะร้อนแรงรับรู้สภาพความร้อนนั้นแล้วท่องว่า สัพเพสังคาราอนิจจาสัพเพธรรมานัตตาติเพียงรอบเดียวคุณจะรู้สึกถึงความร้อนที่ลดระดับลงหวบห้าโดยเฉพาะถ้าประกอบด้วยความเข้าใจว่าโทสะเป็นสังขารเป็นของปรุงแต่งถ้าใจไม่ไปกระทบกับเรื่องขัดใจก็ไม่โกรธความโกรธไม่เที่ยงเป็นธรรมดาไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้ก็จะลดระดับโทสะได้เร็วเป็นพิเศษ 2. องกำลังฟุ้งซ่านจัดให้ยอมรับตามจริงว่าใจกำลังปันป่วนจิตกำลังดิ้นพล่านรับรู้สภาพความพล่านนั้นไปแล้วท่องว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธรรมาอนัตตาติเพียงสามรอบคุณจะรู้สึกถึงความฟุ้งที่เบาบางลงโดยเฉพาะถ้าประกอบด้วยความเข้าใจว่าความฟุ้งเป็นสังขาร เป็นของปรุงแต่งถ้าใจไม่ถูกปล่อยให้ร้านไปก็ไม่ฟุง้งความฟุ้งไม่เที่ยงเป็นธรรมดาไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้ก็จะลดระดับความฟุ้งซ่านเร็วๆเป็นพิเศษ 3. กํกำลังทุกข์เรื้อรังทางใจให้ยอมรับตามจริงว่าใจกำลังเป็นทุกข์ รับรู้สภาพใจทั้งหมดที่รู้สึกเป็นทุกข์หนักนั้นแล้วท่องว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธรรมมาอนัตตาติท่องเรื่อยๆซ้าไปซ้ามาเป็นสิบรอบหรือถ้ายัางไหวก็เป็นร้อยๆรอบคุณจะรู้สึกถึงความทุกข์ทางใจที่ลดระดับอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะถ้าประกอบด้วยความเข้าใจว่าทุกข์เป็นสังขารเป็นของปรุงแต่ง ถ้าไม่เอาใจไปผูกกับเหตุร้อนก็ไม่ทุกข์ทุกข์ทางใจไม่เที่ยงเป็นธรรมดาไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้ก็จะลดระดับความทุกข์เรื้อรังได้เร็วเป็นพิเศษ 4. กํกำลังหัวทึบคิดอะไรไม่ออกให้ยอมรับตามจริงว่าใจกำลังทึบๆตันๆคิดอะไรไม่ออกอ่านหนังสือไม่รู้เรื่อง หรือหัวช้าไม่แล่นเหมือนเก่ารับรู้สภาพใจทั้งหมดที่ทึบตันนั้นแล้วท่องว่าสัพเพสังคาราอนิจจาสัพเพธรรมมาอนัตตาติท่องครั้งแล้รอบแต่บ่อยหน่อยสังเกตว่าแต่ละครั้งที่ท่องใจจะโปร่งขึ้นเมื่อใจจะกลับมาทึบก็ให้ท่องอีกสลับอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกโปร่งจิต เนิ่นนานคุณจะรู้สึกฉลาดขึ้นโดยเฉพาะถ้าประกอบด้วยความเข้าใจว่าที่โง่ก็เพราะยึดสิ่งที่ไม่ควรยึดพอเลิกยึดก็หายโง่ความโง่เป็นของปรุงแต่งละเหตุแห่งความโง่ก็ไม่โง่ได้ความโง่ไม่เที่ยงเป็นธรรมดาไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้ก็จะลดระดับความโง่ได้เร็วเป็นพิเศษ ข้อที่หําำลังสงสัยว่าโดนไสยศาสตร์ครอบงำให้ยอมรับตามจริงว่าจิตใจกำลังมืดมัวคอยแต่จะคิดไม่ดีรับรู้สภาพใจทั้งหมดที่แย่ๆนั้นแล้วท่องว่าสัเพสังคารานิจจาสัพเพธรรมาอนตตาติหลับตาท่องสักสิบรอบยี่สิบรอบใส่น้ำสะอาดหนึ่งแก้ว คือเอาน้ำหนึ่งแก้วมาตั้งอยู่ตรงหน้าในระยะที่สามารถรู้สึกถึงความสะเทือนจากปากจนกระทั่งรู้สึกด้วยใจว่าน้ำตรงหน้าใสาสว่างจากนั้นเอาน้ำราดกระหม่อมตนเองเอามือลูบ ก, กระหม่อมและสวดต่อไปด้วยคุณจะรู้สึกถึงความว่างโล่งที่เทียบกันได้ชัดกับตอนมืดโดยเฉพาะถ้าประกอบด้วยความเข้าใจว่าคุณใสเป็นสังขาร เป็นของปรุงแต่งเป็นของมืดถ้าเอาแสงสว่างมาไล่ก็หายสูญคุณใสไม่เที่ยงเป็นธรรมดาไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้ก็จะลดระดับความมืดมัวได้เร็วเป็นพิเศษหลังจากใช้คาถาที่มีอำนาจเปิดใจให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในระหว่างมีชีวิตปกติจนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นว่าใช้ได้ผล มีอิทธิพลในทางสว่างแจ่มจ้ากับจิตของคุณแน่คุณจะอุ่นใจเสมอว่าสุดท้ายเมื่อจวนเจียนจะตายถ้าต้องมีเหตุให้กลัวในช่วงเวลานั้นจริงๆก็จะมีคาถานี้คอยช่วยเพียงแค่เริ่มท่องขึ้นมานิดเดียวความกลัวก็จะคลายตัวออกทันทีหรือเกือบจะทันใดนั่นเองความกลัวเป็นเพียงอาการใจหดเหลงแคบอยู่กับสิ่งที่นึกประวัน อาจเกิดขึ้นเมื่อเข้าที่มืดหรือใกล้สัตว์ที่คุณนึกรังเกียจจึงต้องถือว่าสถานการณ์เหล่านั้นเป็นแบบฝึกหัดใช้คาถาคือยอมรับตามจริงว่าใจกำลังหดหูคับแคบหวาดวันรับรู้สภาพใจทั้งหมดที่พรั่นพรึงนั้นแล้วท่องว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธรรมาอนัตตาติท่องไปเรื่อยๆจนกว่าจะหายกลัว